นักประชาธิปไตยตัวอย่างการสร้างประชาธิปไตยของหลวงพ่อมันคนละแบบกับของชาวบ้านหลวงพ่อสร้างประชาธิปไตยของหลวงพ่อมาตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสามาเราตัวคนเดียวในโลกพ่อแม่ตายหมดตั้งแต่อายุสี่ขวบทำอย่างไรเราจะลืมตาอ้าปากให้มันเท่าเทียมเพื่อนบ้านเขาตามทำเนียมบ้านนอก ทุกคนเขาก็ชักชวนกันบวชก่อนจะแต่งงานก็จะบวชก่อนคนบ้านนอกโบราเนี่ยถ้าใครยังไม่บวชเขาถือว่าคนดิบไปขอแต่งงานกับเจ้าสาวคนใดเขาก็รังเกียจไม่อยากแต่งด้วยพอหลวงพ่อแต่อายุ14ปีพอบวชมาพอบวชเข้ามาแล้วก็มานึกว่าเออเราเป็นฆราห์ตมาตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ14ปี เกิดมาในชีวิตหนึง่งเป็นอะไรควรจะเป็นเพียงครั้งเดียวพอเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาหวังพึ่งผ้ากาสาวพัดทำอย่างไรเราจึงจะมีอะไรดีๆเท่าเทียมเพื่อนฝูงเขาก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังสมัยเด็กๆนั่งอยู่บนหลังควาย รถเก๋งคันไหนวิ่งผ่านมามึงกูจะต้องนั่งมึงให้ได้รถเก๋งคันเนี้ยเดี๋ยวเนี้หลวงพ่อนั่งคันแรกรถสีตรองคันที่สองมารถเบนซ์คันที่สามาก็รถเบนซ์รถปิกอัพอีซูซุโตโยต้าเข้ามาถวายทั้งหมด 7-8 ็ดปดคันแจกหมูไปใช้หมดความพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ย 1. เราไม่ห่างจากครูบาอาจารย์สองพยายามเอาอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์เหมือนพ่อเหมือนแม่เราเป็นลูกสิบท่านก็เหมือนลูกในอุทธรของท่านท่านเห็นดีเห็นชอบท่านก็ส่งไปเรียนโน่นนี่กรุงธงกรุงเทพไม่เคยคาดคิดว่าจะไปมันก็ได้ไปเพราะท่านส่งไป ลงผลสุดท้ายก็เรียนได้เป็นมาหากับเขาเขาเป็นพระครูเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็เป็นมาเขาเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นมาแล้วฐานะอย่างเราเนี่ยมันก็ได้เพียงแค่นี้แหละแต่ก็นับว่าดีเกินเด็กเพื่อนบ้านเราเด็กเพื่อนบ้านเราเนี่ยเทียบกันแล้วเวลานี้มันเทียบกันไม่ติดแล้ว ในเมื่อเราสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญในสังคมเราก็เป็นอิสระเป็นใหญ่ชาวบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่งมีเสีสุขขึ้นมาก็เป็นอิสระเป็นใหญ่มีเงินมีทองใช้มีบ้านอยู่มีรถยนต์เป็นของของตนมีรายได้พอจะเลี้ยงตนและครอบครัวให้สบายไม่ต้องพึ่งพอพึ่งแม่เราก็เป็นอิสระนี่แหละ คือหลักประชาธิปไตยมันอยู่ที่ตรงนี้ประชาธิปไตยหมายถึงการสร้างตัวของตัวเองนั่นแหละให้ช่วยตัวเองได้ทุกคน Thank you.